พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาบโยวัดถ้ำกรองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรือ มีผู้ถามท่านว่าการปฏิบัตินี้ถ้าบริกรรมแล้วจิตไม่สงบจะพิจารณาอย่างเดียวได้ไหมหรือต้องให้จิตสงบก่อนจึงพิจารณาท่านก็สอนดังต่อไปนี้อันหนึ่งหนะสมถะอันหนึ่งวิปัสนามันถูกกับจริตอันใดการภาวนา มันสบายก็ให้เอาอันนั้นถ้ามันถูกกับดิิตก็สงบสบายไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นจิตรวมอยู่นั่นแหละมันถูกนิสัยครั้นมันไม่ถูกนิสัยแล้วนึกพุทโธหรืออันใดมันก็ฟุ้งซ่านหายใจยากหายใจฝืดเคือง หมายความว่ามันไม่ถูกเจริตของตนอันใดมันถูกเจริตมันก็สบายใจใจสว่างจิตไม่ฟุ้งซ่านเบื้องตน้นใครเอาอันใดก็ต้องเอาอันนั้นเสียก่อนพิจารณาอาการสาสิบสองนี้เรียกว่าวิปัสสนา เรียกว่าค้นคว้าเมื่อเราบริการพุทธโธหรืออะไรก็ตามบริการแล้วมันไม่สงบเราก็ต้องค้นคว้าหาอุบายมันเป็นการอบรมกันมันเป็นเรื่องปัญญาจิตไม่สงบเราก็ต้องพิจารณาให้มันสงบมันไม่สงบแล้ว มันก็ไปที่อื่นไปสู่อารมณ์ภายนอกที่อื่นเราก็ต้องเอามันมาปรอบโยนมันค้นคว้าให้มันพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไปสุดตลอดให้มันครบถึงอาการสามสิบสองใช้สัญญาค้นไปค้นไป ไม่ให้มันไปที่อื่นค้นไปบางทีมันลงความเห็นตามเรื่องปัญญาเราค้นไปว่าไปมันมีความเห็นตามแล้วมันก็สังเวชรลดใจจิตมันจะสงบลงต้องเอาอย่างนั้นเสียก่อนแล้วจึงพักเอาอย่างนี้ ต่างฝ่ายต่างอบรมกันสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดปัญญาอบรมสมาธิให้เกิดปัญญาร้อมรอบมันแล้วมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันก็ลงเรียกว่าปัญญาอบรมมันศีลานุสติบริกรรมสีลานุสติ โดยระลึกในอนุสติสิบนี้อันหนึ่งพระพุทธเจ้าว่ากรรมฐานมีสี่สิบอย่างเลือกเอาอันหนึ่งอันใดที่ถูกกับจริตของเราถ้ามันถูกใจเราก็สงบถ้าไม่ถูกมันก็ไม่สงบก็เลือกเอาใหม่เราบริกรรมแล้วใจสงบ สบายไม่ฟุ้งซ่านรำคาญนี้หมายความว่ามันถูกจริตของเราอนุสติสิมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวานุสติมรณสติกายคตาสติ อาณาปานาสติอุปสมานุสติระลึกถึงคุณพระนิพพานสีลานุสติมารำลึกถึงศีลของตนถ้าเราปฏิบัติเราก็ต้องรักษากายวาจาใจของเราให้ดี เช้ามาก็มีสติรักษากายของเรารักษาวาจาใจของเราดีอยู่กลางวันมาเราก็มีสติดีรักษากายวาจาใจของตนอยู่พอค่ำมาเราก็มีสติรักษาอยู่ไม่มีทุจริตมีแต่ความบริสุทธิ์ระลึกไปอย่างนี้ บางทีใจมันจะดีตั้งแต่เรารักษาศีลห้าของเรามาศีลของเราไม่มีด่างคล้อยศีลของเราบริสุทธิ์ดีนั่นแหละยกมันมันจะดีใจความน่ายินดีที่ว่ารักษาดีปานนั้นความดียกย่องมัน บางทีมันดีใจหมายความว่าจิตที่ควรยกย่องก็ยกย่องมันจิตที่ควรข่มก็ข่มมันมันดื้อหลายก็ข่มมันจิตที่ควรข่มคือมาใช้ปัญญาพิจารณาเกษาผมโลมาขนให้มันเห็นเป็นของปฏิกูล ของโสโครกนี่หมายความว่าขมมันขมไปนั่นหละเมื่อทำอย่างนั้นมันยังว่าไม่ฟังแล้วเราก็นึกถึงศีลของเราบางทีมันถูกมันอาจจะสงบมันมักยอมันชอบยอใครจะไม่มักยอไม่มี ยกย่องเข้ามันก็ดีใจเป็นบุญราบของเราเราเกิดมาไม่เสียพบเสียชาติเราตั้งใจนับแต่รู้เดียงสาขึ้นมาเรารักษาความสุดจริตของเราศีลของเราไม่เศร้าหมองศีลของเราบริสุทธิ์ดีพิจารณาศีลของตนบุพพานะสมยัง กายเณสุจริตังจลันติวาจายะสุจริตังจะรันติมนัสสุจริตังจะรันติให้มีสติระลึกรักษากายของตนให้สะอาดรักษาวาจารักษาใจของตนให้สะอาดมัชชันติกะสมยังกายเณสุจริตัง วาจายะสุจริตังจรันติมะนะสาสุจริตังจรันติตรวจ ด, ดูกายใจของตนให้บริสุทธิ์สายันหะสะมยังกาเย е นะสุจริตังวาจายะสุจริตังจารันติมะนะสาสุจริตังจรันติ ให้มันมีสุดจริตธรรมเช้าก็ให้มีสติรักษาอยู่รักษากายวาจาใจของตนให้สุดจริตบางทีเราพิจารณาไปเชา้าเราก็รักษาดีอยู่กลางวันเราก็รักษาดีอยู่ข้ามาเราก็รักษาดีอยู่อันนี้เป็นราบของเรา เราไม่ปล่อยสติเราไม่เผลอรักษากายวาจาใจของเราอยู่ทุกขณะศีลของเราบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองมันคลาดเป็นอะไรมันตายเราก็ไม่เสียทีเรามีสุขติเป็นแน่ไม่ต้องสงสัยพิจารณาไป เมื่อถูกใจมันยกย่องมันมันก็สามารถจะมีความสงบลงได้อันนี้เรียกว่าศีลานุสติระ ด, ดึกถึงศีลของตนบริกรรมว่าศีลานุสติแล้วก็พิจารณาศีลของตนเมื่อตั้งใจไว้อย่างนี้ตั้งความสัต์ไว้อย่างนี้ถ้ามันผิดแล้วก็ มันก็โกรธละเมื่ออยู่แม่ปังอำเภอรพราวตื่นขึ้นมาตอนเช้าตั้งความสัตว์ไว้ว่าเราจะรักษากายวาจาใจของเราไม่ให้ผิดไม่ให้จิตไปสู่อารมณ์ภายนอกให้รักษาจิตอยู่นี้ให้มันรู้กันอยู่นี้กลางวัน เราก็รักษากายวาจาใจของเราข้ามมาเราก็จะรักษากายวาจาใจของเราตั้งความสัต์ไว้แล้วเราจะรักษาอย่างนี้ไว้จนตลอดวันตายตลอดชีวิตเอาไปเอามากลางวันเดินไปเดินมา มันก็ลืมความสัตว์แล้วมันไปที่ไหนสติไม่ทันมันมันเลยออกไปแล้วไปสู่อารมณ์ภายนอกมันคิดไปละสติไม่ทันมันทีนี้จำเอาไว้เรื่องข้อวัดให้เรียบร้อยไม่ให้มีความสงสัยเรื่องข้อวัดเทกะระโหนปัดตากเสร็จ ทำอะไรบริสุทธิ์หมดทีนี้มันโกรธแล้วทำอย่างไรมันก็โกรธมีแต่แข็งอยู่อย่างนั้นใจนอะเอทำยังไงเดินจงกรมเดินวิบมันก็แข็งอยู่อย่างนั้นมีแต่โกรธมีแต่แข็นเลยกลับขึ้นกุฏิรีบกลับขึ้นไปไหว้พระ ทำวัดทำวัดแล้วก็นั่งบริกรรมกำหนดมีแต่โกรธแต่เครียดเอมันเป็นอะไรนี่ฮึมันจึงมาแข็งอยู่อย่างนี้ว่าที่ไหนมันมีแต่แข็งแต่โกรธมันผิดอะไรนี่ฮึตรวจ ด, ดูเช้ามาเราตื่นขึ้นเราได้ตั้งใจไว้แล้วว่า จะรักษากายวาจาใจของเรานี้ให้บริสุทธิ์กลางวันก็ดีพบข้ามาก็ดีเราตั้งใจจะรักษาตรวจ ด, ดูใจของเราผิดอะไรตรวจ ด, ดูไม่มีวาจาของเราได้พูดกับใครผิดอะไรไม่มีใจมาค่าหมอนี่เสียแล้ว คิดอะไรอ๋อมันให้คิดไปตามอารมณ์อันนั้นปรุงอันนี้ไปแล้วเน่มันเป็นแต่ใจนี้แหละมันเป็นที่ใจนี้แหละเลยมั่งสมาธิออกมั่งแล้วก็กราบลงทำวัดอีกแล้วกราบลงว่ากาเยนะวาจายะวะ เจตสาวาพุดเทกุกรมมังปะกตังมยายังบาปชั่วร้ายอันใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงในพระพุทธเจ้าด้วยกายวาจาใจบาปอันน่ารังเกียจอันพระพุทธเจ้าติดเตียนข้าพเจ้าร่วงแล้วพุทโธปฏิฆคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า จงอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดกาลันตาเรสังวริตุงว่าพุทเทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะสำรวมต่อไปจนวันตายมาวักธรรมก็ว่าอย่างเดียวกันข้าพเจ้าได้ผิดในพระธรรมขอพระธรรมจงอดโทษให้ข้าพเจ้าจะสำรวมในพระธรรมตลอดวันตาย วักสงก็เหมือนกันข้าพเจ้าจะสำรวมต่อไปจนวันตายตั้งแต่บัดนี้ไปขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดสบายใจใจไม่แข็งสบายใจดีใจพอบายสามคืนกลับมันจึงสมกับที่ว่ามา พิกุสัตตานังวิสุทธิยาสติคืออะไรเออย่างนี้สิพิกุได้พูดความสัตวความจริงไว้แล้วต้องมีสติสติมาก็คือมีสติอย่างนี้ได้ชื่อว่าผู้ทาสติสัมพโยชงเจดให้เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา ก็สำรวมระวังไม่ให้มันคิดไปภายนอกเวลานั่งสมาธิมันก็ไปไปภายนอกนั่นแ่ะมันฉากไปไม่รู้แล้วมันก็ตั้งสำรวมดีเวลาทำเราก็ตั้งไว้อย่างนั้นเราจะไม่คิดเดี๋ยวนี้หน้าที่เรานั่งภาวนางานของเราจำเพาะเรา ไม่ใช่งานคนอื่นงานของคนอื่นเราทำแล้วกลางวันเราทำแล้วบัดนี้เรานั่งจำเพาะของเรางานของเราเราต้องไม่คิดไปเรื่องอื่นของคนอื่นถ้าเราคิดก็คิดอยู่ที่กายนี้ให้มันมีสติประจําใจอยู่นี้แล้วเราก็เอาปัญญานั้นด่ ถ้าเรานั่งมันไม่ลงไม่รวมเราก็เอาปัญญานั้นแหละล้อมมันเข้าไปล้อมมันเข้าไม่ให้มันไปหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้ให้พิจารณามันก็บริกรรมคือกันนั้นแหละเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตา ฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอธิกระดูอธิมิชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหทยังหัวใจยากนังตับกิโลมกัง พังผืดปิหักังไตปัพภาสังปอดอันตังไ้ใหญ่อันตะคุน่งไส้น้อยอุธรียังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่ามัทเกมัทลุงคัง เยื่อในสมองปิดตังน้ำดีเซมหังน้ำสเสลตบุบโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเซโทน้ำเงือ่อเมโทน้ำมันค้นอัดสุน้ำตาวสา น้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลสิ ก, กาน้ำไข่ข้อมุดตังน้ำมูดอาการสาสิบสองเอามันอยู่นั่นหละเดินจงกรมก็ตามนั่งอยู่ก็ตามเอามันอยู่นั่นหละ ให้มันไปไม่ได้ให้มีสติประจำไปไม่ได้นี่แหละอาตมาทำอย่างนี้เอาอาการสามสิบสองบริการมอยู่อย่างนี้เอาจนมันขาดจากอารมณ์ไม่เกี่ยวกับอารมณ์เอาให้มันอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังวันใด เดือนใดก็เอามันพิจารณาเอาปัญญาพิจารณาก็ปัญญาโลกีนั่นหละสัญญาเราจำได้จำแบบจำแผนได้ยินได้ฟังมาเอามันนี่แหละค้นขวาพิจารณารอบๆไปเรื่อยๆจนไปไม่ได้ถูกบ่อนมัน ตีมันมันก็กลัวแล้วกลัวแล้วมันจะสดชื่นขึ้นที่ไหนมันจะเจ็บต้องตีมันจิตมันเหมือนกันกับวอกให้มีสติบังคับจิตเราพิจารณาเราก็ต้องมีสตินั่นแหละต้องคุมจิตไม่ให้มันไปให้มันอยู่กับที่จิตตังทันตัง สุขขาวหังผู้ที่ควบคุมจิตของตนทรมานดีแล้วจิตนําสุขมาให้ผู้ที่ควบคุมจิตของตนทรมานจิตให้ดีแล้วจิตเบิกบานจิตสงบแล้วมีความสุขจิตสว่างสวยัยจิตสว่างสวยัยมันจะมีปัญญาปัญญาก็มันนั่นแหละ อยู่ที่ดวงจิตนั่นหละจิตเมื่อมันคลุกครีกับอารมณ์เอาอารมณ์เข้ามาครอบงำดวงจิตแล้วจนมันเงยงอกขึ้นไม่ได้มันก็ไม่เห็นแล้วมืดต่อเมื่อเราชำระสิ่งเหล่านี้ได้จิตมันสงบแล้วจิตมันตั้งไม่ได้อารมณ์ทับมันมันก็ไม่สงบ ตั้งไม่ได้ต่อมามันมีปัญญาร้อมรอบเอาสิ่งเด่านั้นทําหล่านั้ น, น, นรูปรสกลิ่นเสียงเครื่องสัมผัสธรรมารมมันไม่เอาเข้ามาปรุงใจไม่เข้ามาปรุงใจแล้วหมายความว่าใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วก็สงบตั้งมั่น หมายความว่าลืมตาขึ้นได้มันก็เห็นเท่านั้นแหละมันนั่นแหละเป็นปัญญาเพราะมันเห็นจิตตั้งไม่ได้ไม่สงบเพราะไม่มีกำลังจิตสงบตั้งได้แล้วไม่งอนแง่นคลอนแคลนแล้วกระแสมันจึงพุ่งขึ้นมาเรียกว่าปัญญาเห็นหมด แล้วก็ค้นขวาเข้าไปอีกโอวาทพระพุทธเจ้าว่าสพรพปาปัสะอาการะนังกุศล ส, สูปะสัมปทาสัจจิตตประริโยทะปะนังเอตังพุทธานะสาสนังบาป ท, ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายไม่ให้มันเข้ามา สัาปาปาสะอาการะนังเป็นเครื่องงดเว้นจากความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางกายวาจาใจกุศลสูปะสัมปทาสิ่งเป็นประโยชน์สิ่งที่ทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดของอะไรก็ตามคุณงามความดีที่ประกอบขึ้นทานก็ตาม ศีลก็ตามศีลห้าศีลแปดก็ตามการได้ฟังเทศฟังธรรมการนั่งสมาธิก็ตามได้ชื่อว่าเป็นผู้ขนขวายทำให้กุศลเกิดขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วรักษาให้มันเจริญเต็มเลี่ยมบาป ท, ที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรประหารเสียบาปที่ยังไม่เกิดทันนมีสติระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นจิตมีความเศร้าหมองต้องเพียรอบรมจิตฝึกผลทรมานจิตให้มีสติทำความดีอนุปะวาโทไม่ไปว่าร้ายคนอื่นสัตว์อื่นอนุปะคาโต ไม่ฆ่าคนอื่นและสัตว์อื่นปฏิโมเขจะสังวโรเป็นผู้สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกดิ้นกายใจไม่มีความยินดียินร้ายต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมัตตัญยุตตาจะพัตตสงเป็นผู้รู้จักประมาณในพัต เรียกว่าพัตตาหารความเสวยสิ่งที่ควรรับประทานจึงรับประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสิ่งที่จะไม่ทำให้เสื่อมบริโภคเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดความเจริญเกิดความสุขอย่างนี้แหละจึงควรบริโภคเข้าไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายถ้าบริโภคเข้าไปแล้ว ทำให้ร่างกายชำรุดสุดโทรมหรือทำให้ร่างกายลาบากอันนี้ไม่ควรบริโภคเรียกว่ามัตตัญุตาจะพัดตัดสมิงอาหารหมายเอาอารมณ์ไม่เอาอาหารที่เราบริโภคเข้าไปก็ถูกพิจารณาอันไหนมันจะถูกจะพอยังร่างกายให้เป็นไป ไม่ทำให้เกิดโรคอันนี้ก็สำคัญเหมือนกับอาหารที่เราบริโภคเข้าไปอาหารอารมณ์นั้นไม่ควรบริโภคสักอย่างควรบริโภคเข้าไปแต่ธรรมารมณ์คือธรรมคือใจควรบริโภคเข้าไปนอกจากนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ไม่ควรบริโภคสิ่งที่ควรบริโภคคือการรักษาให้มีสติรักษาประจำบริโภคบ่อยๆกายเยกายานุปัสีวิหารติพิจนาภายในกายคือตนนี้แหละพิจนาให้มันเห็นเป็นของปฏิกูลของโสโครมีสติพิจนาภายนอกคือกายผู้อื่น อย่างนั้นก็ทิ้งกายในกายนอกอย่างเดียวกันไม่ผิดกันพระพุทธเจ้าจึงว่าอัจฉติยภายในก็ดีก็ร้วนเป็นของปฏิกูลของโศโครกหมดทั้งนั้นพระหิทธาวาภายนอกเป็นกายผู้อื่นก็เป็นของปฏิกูลโศโครกเหมือนกัน โอราดิกังวาส่วนหยาบก็ตามสุขุมังวาส่วนละเอียดก็ตามด้วนแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หมดทั้งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมดทั้งนั้นปราณีตก็ตามเดวสามก็ตามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ให้พิจารณาเห็นอย่างนั้นสิ่งไหนที่ไกลก็ตาม ที่อยู่ใกล้ก็ตามก็รวนแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้อันนี้เรียกว่าพิจารณากายกายานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชโนอาตาปีคือความเพียรมีสติสัมปชัญญะดูรอดเพียนเผากิเลสให้เร่าร้อน พึงทำให้อภิชาและโทมนัสในโลกนี้พินาศเสียพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาสติปัฏฐานสี่คือกายหนึ่งให้กายเป็นอารมณ์ของสติให้สติพิจารณากายจับอยู่กับกายไม่ให้มันหนีจากกายพิจารณาเหมือนว่า ของปฏิกูลโสโครกภายในก็ตามภายนอกก็ตามไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนพิจารณาไปอย่างนั้นหรือไม่อย่างนั้นให้พิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์ของสติเวทนาเป็นสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวทนาเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวทนาเฉยๆเกิดขึ้นแล้ว ก็ดับไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เวทนาเป็นตัวทุกเราไม่ได้ทุกเราไปยึดเอาเวทนาทั้งหลายมันก็ทุกดวงจิตไม่ได้ทุกกับเวทนาเมื่ออย่างนั้นก็เอาจิตเอาใจนีแ่แหละเป็นอารมณ์ของสติเอาสติไปจับอยู่กับจิตนั้นนี้ ให้เอาอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าไม่พิจารณากายเอาสติไปไว้กายจับเอากายก็ต้องเอาเวทนาความเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์นี่แหละแสนทุกข์ให้พิจารณาทุกข์จนใจเห็นชัดจริงลงไปท่านหมายความว่าถ้าเห็นทุกข์ได้ชื่อว่าเห็นทุกข์รสับ มันเป็นทุกขศาสตร์นั่นแหละเรื่องภาวนาเราต้องทำการพิจารณาทุกครั้งเราบริกรรมแล้วมันไม่สงบเราจะพักเสียนอนเสียนั้นไม่ควรมันต้องทำไปพร้อมต้องพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาพร้อมกันทำไปอย่างนั้นทุกครั้ง ไม่ทำอันเดียวมันเป็นคู่กันให้เป็นคู่กันไปนั่งบริกรรจะเอาอันไหนก็ตามอันไหนมันถูกกับนิสัยของตนก็เอาถ้ามันไม่สงบแล้วก็พิจารณาค้นคว้าพิจารณากายนี่แหละไม่ต้องพิจารณาที่อื่นแม่นหมดทั้งก้อนที่เราอาศัยอยู่นี้ แม่นก้อนทำหมดทั้งนั้นมันไม่อยู่ที่อื่น